พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าภาวนาด้วยความจริงใจ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 วางรากฐานวางกฎระเบียบวางกฎเกณฑ์วางกฎหมายรัฐธรรมโนูญปกของสงฆ์วันเดือนสามเพนพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นตัดมาอย่างนั้นจากนั้นท่านพระพุทองค์ก็ได้บัญญัติวินยัย ถึงถือว่าวันเป็นวันสาคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราวันสาคัญที่จะถึงพวกเราควรจะเตรียมกายเตรียมใจไว้เพื่อจะรักษาศีลวันมาค่าบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาสำหรับพระสงฆ์ยิ่งสาคัญยิ่ง พวกเราที่เขามาอยู่ภายในควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันเฉ่นนั้นหลวงพ่อว่าเราก็เคยนอนมานานแล้ววันมาค้าบูชาเราควรจะในคืนนะควรจะถือเนชชิเนชชิคืออะไรคือไม่นอนตลอดคืน การไม่นอนตลอดคืนไม่ใช่เราจะไปหาคุยกันไม่ได้นะแปลว่าปิดวายจาจอีกต่างหากในคืนนั้นเราจะภาวนาเอาอริยบทสามเป็นอย่างมากหรือเอาอริยบทสองก็ได้นั่งก็เดินหรือโออริยบทหนึ่งก็ได้เดินตลอดคืนหรือว่านั่งตลอดคืน ให้เราสังเกตดูตัวเองว่าเรานั่งจิตใจของเราเข้าสมาธิมีเป็นสมาธิดีกว่าเดินใช่ไหมหรือว่าเราเดินมีสมาธิดีกว่านั่งหรือว่าเราเดินจิตใจของเราได้รับความสงบมากกว่าการนั่งหรือว่าการนั่งเราได้รับความสงบเยือกเย็นกว่าการเดินหรือว่า เราเดินซะก่อนให้เหนื่อยซะก่อนแล้วมานั่งจิตใจใจของเราจะรวมสงบได้ง่ายกว่าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสังเกตตนเองในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่วันไหนก็วันเก่าทําวันไหนก็วันเก่าจากนั้นเราก็เร่งความภาคเปลี่ยนวันนี้เป็นวันสําคัญเราจะนั่งอย่างเดียวสู้กับเวทนาอย่างชดๆ หรือเราจะเดินเอาให้เต็มความสามารถหรือเราจะเดินครึ่งหนึ่งเราจะนั่งครึ่งหนึ่งหรือจะเดินสลับกันเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงสลับกันสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเอ่อมีวันหนักนวันหนักวันเบาไม่ใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าแต่ในขณะที่ทำความเพียรอย่าไปหากันอย่าไปคุยกันปิดวายจาร ให้ภาวนาลูกเดียวอย่างเดียวในคืนวันเดือนสามเพ็นนี่เลยอยากจะให้พวกเราฝ่ายพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลายให้มีหนักมีเบาในการทำความภาคความเพียรไม่ใช่ว่าเราเคยทำมาอย่างไงก็ทำอย่างเก่าผลมันออกมาก็ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ประทับใจในการประพฤติปฏิบัติ แต่ว่าเรื่องการศึกษากับหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวเรื่องวิธีการทำสมาธิไหว้พระเสร็จแล้วก็อย่างพวกเราไหว้พระอย่างวันพระที่วันมาค้าบูชาเราก็ทำพิธีที่ศาลาไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งเสร็จแล้วก็กลับไปกุฏินั่นแหะทานีตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิต่อประมาณสองชั่วโมง และข้าพเจ้าจะเดินสองชั่วโมงจะข้าพเจ้าจะนั่งสองชั่วโมงข้าพเจ้าจะเดินสองชั่วโมงเนี่ยแหละจนสว่างเนี่ยแหละอันนี้คือวิธีการภาวนาหรือวันต่อไปอีกเออเราได้ผลเห็นผลเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเห็นผลแล้ววันต่อไปเว้นวันสองวันเราทำาอกดูใจของตัวเองไม่แห้มันจิตใจของเราปุง่งฟุ้งออกไปข้างนอก เวลาเรานั่งสมาธิไหว้พระเศวตแล้วเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพดหายใจออกโทแต่ถึงยังไงมาอยู่ที่สำนักของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกได้เลยว่าอย่านำกรรมฐานที่อื่นหรือเท่าศึกษามาจากที่อื่นมาใช้ในวัดของหลวงพ่อเพราะเห็นไรเพราะมาศึกษาตรงนี้เราไปศึกษาเรื่องภาษาจีน เราจะไปเอาภาษาเกรเลียงไปใช้ได้เหรอหรือจะเอาภาษาอื่นไปใช้ได้เหรอเราไปศึกษาจีนเราต้องศึกษาเรื่องภาษาของจีนจะเอาภาษาญี่ปุ่นมาใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ไปถึงไหนเดี๋ยวก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวก็เรียนภาษาจีนเรียนเดี๋ยวก็เรียนภาษาเขมรภาษาญวนมันจะไปถึงไหนเพราะนั้นเราเรียนภาษาอันไหน เราก็ต้องใจศึกษาในภาษาอันนั้นเพราะเราอยู่ไม่นานบางทีเราอยู่สองสามเรือนนะสิบกว่าวันอย่างเนี้ยห้าหกวันสองสามวันอย่างนี้เรามาอยู่ที่เออมาศึกษาดูซิว่าแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านพาดําเนินอย่างไรท่านพาเทศบัติอย่างไรท่านให้ภาวนาอะไรวิธีการดําเนินชีวิตประจําวันท่านทําอย่างไร เราก็ให้สังเกตจากนั้นก็นมาเราก็เดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวเราก็เดินตามนั้นะปฏิบัติตามที่ท่านบอกกล่าวมันก็ไม่เสียเวลาที่ตรงไหนถ้าเรากลับไปแล้วเรายังชอบใจในแนวทางหรือแนวปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่เราได้อบรมสั่งสอนมาก่อนเราจะนำไปปฏิบัติอีกก็ได้แต่ขณะมาอยู่ที่นี่เราต้องเอาไว้ก่อน ในเมื่อเราเอาไว้ก่อนเอาอย่างจริงจังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเดินทั้งวันนั่งทั้งวันภาวนาทั้งวันบังคับสติให้อยู่กับตัวเองตลอดวันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวไม่ให้ปิดใจออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเอ ง, บ, งบับงคับมคำว่าบังคับไม่ใช่ปล่อยปละเล ย, ย่าคิดเวลาไหนก็คือได้เวลาไหนก็ยังค่อยมาพาวนาพุโถพุโถแล้วก็หายไปเงียบไป พอเราเลิกได้ขึ้นมากับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็หายไปอันนั้นแปลว่าไม่ใช่บังคับถ้าบังคับแล้วก็ให้อยู่กับพุโทโธตลอดที่เรานั่งภาวนาที่เรามาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นไปได้นะให้มันเผลอน้อยที่สดุดอันนี้แหละคือวิธีการเมื่อเรามาอยู่ณนะสถานที่นี้เรานําแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น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 อันนี้ก็คือการแผ่เมตตาด้วยภาษาจิตภาษาใจของเราจากนั้นก็นั่งคัตสมาธิแหละขาขวาทับขาซ้ายปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกพุทธโทธธรรัมโมสังโฆไหว้ครูซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมจบด้วยความจังตั้งใจด้วยความจริงจังและจริงใจคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่เนึกคิดแล้วก็เป็นแต่สักว่าพูดเป็นแต่สักว่าท ร, รเพีสักตวะอาการไม่ใช่ออกมากจากใจจริงๆจากนั้นมาไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วเราจะแผ่เมตตาเป็นภาษาใจอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราจะทำใจของเราไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่ง เราจะไม่ขัดข้องหมองใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเราพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมีเมตตากับทุกวิญญาณถึงเขาจะผูกพยาบาทอาฆาตฆ่ามาอย่างไรลาค่าเนี่ยไม่ผูกพยาบาทอาฆาตต่อบุคคลผู้ใดดวงวิญญาณใดทั้งหมดในจักรวาลเนนะ่ยข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขวิญญาณอื่นจงเป็นสุข หัวใจอืดจมประจุกจากนั้นเราก็เอามือลงพ อ, อมือลงทั้ไหร่คะมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกาหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดุดโทพุดโทนี่อันนี้แหะคือแนวทางปฏิปทาของหลวงปู่มั่นบังคับให้กรรมฐานให้สติอยู่กับตัวเองให้อยู่ที่ปลายจมกูกมีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจะส่งไปที่อื่นถ้ามันเผลอไปปับ๊บให้ย้อนกลับมาอ่ามันเผลอไปให้ย้อนกลับมาถ้ามันไปเห็นนิพิจจะเป็นเห็นเรื่องอะไรก็ตามเทวบุตรเ ท, ทวดาอินพรมพูดผีปีศาจอะไรนรกสวรรค์อะไรก็ตามอย่าไปดูในแถวสายลงปู่บ้านนะท่านไม่ให้ออกไม่ให้ส่งจิตออกไปนอก พอเห็นปอบให้กลับมาหากรรมาฐานเดิมอีกให้กรรมาฐานพุทโธพุทโธอีกทําจิตใจให้เป็นหนึ่งให้มันสงบจากนั้นใจของเราเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละเทไง เ, เมื่อใจเมื่อใจของเราถอนจากความสงบขึ้นมานํามาพิจารณา ทางวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรคือพิจารณาร่างกายเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งแบ่งส่วนของร่างกายว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งแน่แน่เห็นไม้ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมากต่อมากไม่มีใครที่จะเอากระดูกของตัวเองไปนวยตายแล้วเจแล้วก็ไปเผาไฟทิ้งไปเผาทิ้งไปฝังดิน มากต่อมากเราก็เหมือนกันไม่แพ้ใครท่านเหล่านั้นเพราะนั้นร่างกายของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของเราเราบอกอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายน ะ, ะเราก็บอกได้แต่นี้มันบอกไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้จะเป็นของเราได้อย่างไรเนี่จากนั้นเมื่อจิตของเราใจของเราได้รับความสงบพอจิตใจสงบมันแยกได้ชัดเจนกายกับใจใจกับกาย เอาใจมาพิจารนากายเอาตัวความรู้ความนึกคิดนั่นแหละคือใจตัวผู้รู้นะั่นมาพิจารนากายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราณนะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องใช้กายหลังอันนี้เหมือนกับเราไปที่ไหนเราต้องใช้รถรถคันนี้คื อ, ค อ, คอร่างร่างกายเนะี่ยคือรถของใจใจเป็น เป็นโซเฟอร์ขับรถคันนี้ไปนสถานที่ใดแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่พูดว่ารถคันนี้เป็นรถของเราแท้ๆเละแต่อีกสักวันหนึ่งนะมันเกิดความสำรุดเสียหายขึ้นมาจใจของเราก็จะต้องทิ้งรถคันนี้อีกเหมือนกันไปซื้อรถคันอื่นนี่แหละเมื่อเราจิตใจของเราสงบแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนี่ มันเป็นคนละจัดละส่วนกันเป็นคนละอันกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอจากนั้นเราก็เอาคนขับรถมาพิจารณารถเอันนั้นตาของรถออันนี้สายพานของรถอันนี้หม้อน้ําของรถอันนี้ลูกสูบของรถอลูกสูบคืออะไรก็คือหัวใจอย่างพวกเราเนี่ยพิจารณาหัวใจใจมันคืสูบสีดเลือดนั่นแหะหัวใจเนลยลูกสีบลูกสูบของรถน่ะ สายพานก็นคืออะไรนี่แหละแล้วก็หม้อน้ำคืออะไรกระเพาะปัสสาวะแล้วก็น้ำมันเครื่องคืออะไรมันอยู่ในกายของเรามันเหมือนกับรถนัะนะ่นแหละร่างกายของเราแต่โซเฟอรนะ์คือใจของเราที่มองไม่เห็นน่ะพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนดูแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งกายกับใจจะต้องแยกกันแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นอย่าหลงนะใจนะ เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ใจของเราจะรู้จริงเห็นจริงใจของเราก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจิตใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายว่าร่างกายของเราเนี่ยขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะทิ้งอยู่สิ่งภายนอกที่เราอาศัยอยู่ศาลาหลังนี้พี่น้องศรัทธาญาติโยม ปงสาคนาญาติลูกหลานเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นที่ไล่เลียงมาทั้งหมดนั้นยังเป็นของเราได้อยู่เหรือใจนี่แหละจากนั้นให้พิจารณาถึงใจตัวนามมาทําตัวรู้เี่นนะั่ะจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายก็วางลงที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ ความบริสุทธิ์หรือว่าความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะเกิดขึ้นจุดหนึ่ในจุดนั้นแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ไหวยพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่ายพระอระหังสวากาโตสุปฏิปโนด้วยความนอบน้อมด้วยความตั้งใจจริงมีสติสัมปชัญญะในการไหายพระสวดมนต์แต่ไม่ใช่ว่าทั้งไหวยไปด้วยทั้งหาวนอนบกักเมื่อน้ำตาหลังน้ำตาไหลไปด้วยกราบผีกราบถูกไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้น ด้วยความตั้งใจด้วยความใสยใจอากนั้นเมื่อไหว้พระรหังสวากาโตสุปฏิปโนเสร็จแล้วแผ่เมตตาด้วยความตั้งใจจากนั้นก็นั่งสมาธิประนมมือกราบไหว้พระพุทธเจ้าบูชาพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจจากนั้นก็แผ่เมตต า, ๆๆ า, า จ, จากนั้นก็ เ, เอ า, า, ม, า, า ม, มือลง มือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละอันนี้เราวิธีการปฏิบัติขอให้พวกเราลูกหลานคณะสัตยาญติโธมทุกคนนะเราเข้ามาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นเราต้องมุ่งมั่น ต, ตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะประสบหรือว่าได้รับริ้มรถแห่งความสงบในสมาธิ แต่ถ้าพวกเราภาวนาแล้วมันยังเอาไม่ไหวว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถีเย็บเข้าไปอีกไม่ต้องออกกับลมเลยเพราะกับลมมันมีจังหวะห่าง อ, อจากนั้นทา่านจะมันมันยังไม่อยู่อีกให้กําหนดลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับ ส, บสี่นับห้าถึงร้อยเผลอไหมทําให้ไม่เผลอนับหนึ่งกับหนึ่งไหม่ถ้ามันเผล อ, อตรงไหนไปนับถึงสิบมันเผลอกลับมาอีกมันเผลอมันเผลออย่างไะ มันเผยหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้สองเลขคู่สามเลขขี้สี่เลขคู่ห้าเลขขี้หกเลขคู่ถ้าว่ามันเบรอร์มันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายหายใจเข้าเป็นหกหายใจออกเป็นเจ็ดหายใจเข้าเป็นแปดหายใจออกเป็นเก้าแสดงว่ามันเผลอแล้วนะตั้งใหม่กลับมาหนึ่งใหม่อีก มันทํำไมจึงเผลอมันเผือช่วงไหนวะมันทํำไมออกเผือได้นี่แหละอันนี้คือวิธีการตั้งสมาธิตั้งสติในการทําสมาธิถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้แหละจากนั้นกั น, นับถึงร้อยไม่เผื่อแสดงว่าอือสติของเราเริ่มดีต่อไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้น ก, กับกำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทพอพุทโทรพดโทรไม่ถึงกับรวมสงบลงเป็นหนึ่งก็เพียงแต่ว่า ใจิตใจของเร า, เ อ, าอยู่อยู่คล้ายๆกับว่าจิตใจไม่กระเสือกกระสนจิตใจไม่วุฒิไม่ไวายจากนั้นเราก็นำมาพิจารณาร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายถ้าไม่พิจารณามันไม่เห็นนะให้พิจารณากระดูกก็ได้ให้เห็นกระดูกที่เราเห็นโครงกระดูกที่ไหนก็นำมาพิจารณาโครงกระดูก มาเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเราเห็นโครงกระดูกที่อื่นเปรียบเทียบในก็ออากระดูกที่เราเห็นข้างนอกมาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกเราเรา่เป็นโครงกระดูกใช่ไหมเรานอนเฝ้าโครงกระดูกตัวเองทั้งวันใช่ไหมทั้งคืนใช่ไหมอพาโครงกระดูกไปที่นู่นที่นี่ใช่ไหมอถ้าไม่เชื่อก็ตรงซไปเอ็กซเรย์ดูสิไปเอ็กซ์เรย์ข้างล่างดูสิเป็นโครงกระดูกหรือเปล่ายูกับตัวของเราเป็นโครงกระดูก เพราะนั้นอย่าหลงอีกสักวันหนึ่งโครงกระดูกนี่ต้องทิ้งฮะใจนะในเมื่อใจผ่านความสงบแล้วจะพิจารณาอะไรเห็นชัดเจนทั้งนั้นแหละเพราะนั้นท่านจึงทำให้จิตให้ใจของเราสงบซะก่อนเป็นสมาธิซะก่อนจึงนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาดัาะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะพวกเราทุกๆท่านนะให้ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อพูดกล่าวอันนี้คือแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาประพฤติปฏิบัติมาวันนั้นวันนี้เป็นวันพระอะแล้วก็เจ้าทุกวันพระเราจะทดลองเราจะปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจเลยก็ได้เอาในเช็ดชิตลอดคืนเลยเดินจงกลมนั่งภาวนาตลอดคืนนี่แหละการทําอันไหนที่จริงจังและจริงใจความสําเร็จหรือว่าผลแห่งการประพฤติปฏิบัติอก็จะตาม มาให้พวกเราได้รับรสแห่งพระธรรมคำสอนเราจะซึ้งในจิตใจของเราโอ้โหพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไผ่นีท่านภาวนาท่านทำอย่างนี้เองนาได้รับความสงบความสุขขนาดนี้นะท่านจึงอยู่ได้ถ้าว่าท่านอยู่ป่าดงพงไัยถ้าใจของท่านคิดออกนอกลู่นอกทางแต่ละวีตละวันท่านจะอยู่ป่าได้อย่างไรอันนี้โอ้ ท่านสงบจิตสงบใจอย่างนี่หนอเราจะเห็นเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอีกต่างหากพระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมคำสอนมาไม่ได้สอนโกหกโลกนั้นนี่ถ้าผู้ปฏิบัติรมแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงจังและเห็นในความสุขจิตใจสงบมีความสุขจริงนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้ รู้ได้สัมผัสในการปฏิบัติของพวกเราต่อนนี้ไปรับพรในอนุโมทนาให้พร